ความเพียรเป็นคุณธรรมสําคัญยิ่งข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาดังจะเห็นได้จากการที่สัมมาวายามะเป็นองค์มรรคประจําข้อหนึ่งในสข้ออันได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติซึ่งต้องคอยช่วยหนุนองค์มรรคข้ออื่นๆทุกข้อเสมอไปดังกล่าวแล้วข้างต้นและในหมวดธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติแทบทุกหมวดจะพบความเพียรแทรกอยู่ด้วย ในชื่อใดชื่อหนึ่งการเน้นความสำคัญของธรรมข้อนี้อาจพิจารณาได้จากพุทธพจน์เช่นธรรมนี้เป็นของสำหรับผู้ป่ารบความเพียรมิใช่สำหรับคนเกียรครานภิกษุทั้งหลายเรารู้ชัดถึงคุณของธรรมสองประการคือ 1. ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. ความเป็นผู้ไม่ยอมถอยหลังในการบาเพ็ญเพียรเพราะฉะนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงศึกษาดังนี้ว่าเราจะตั้งความเพียรอันไม่ถอยหลังถึงจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกเนื้อและเลือดในสรีระจะแห้งเหือดไปก็ตามทียังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงรุกถึงได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วที่จะหยุดยั้งความเพียรเสียเป็นอันไม่มีเธอทั้งหลายพึงศึกษาชนิแลการที่ต้องเน้นความสําคัญของความเพียร น, นั้นนอกจากเหตุผลอย่างอื่นแล้วย่อมสืบเนื่องมาจากหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนาที่ว่าสัจธรรมเป็นกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดาพระพุทธเจ้าหรือศาสดา มีฐานะเป็นผู้ค้นพบหลักความจริงนั้นแล้วนํามาเปิดเผยแก่ผู้อื่นการได้รับผลจากการปฏิบัติเป็นเรื่องของความเป็นไปอันเที่ยงธรรมตามเหตุปัจจัยในธรรมชาติาศาสดาไม่ใช่ผู้บันดาลเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนจึงจําเป็นต้องเพียรพยายามสร้างผลสําเร็จด้วยเรี่ยวแรงของตนไม่ควรคิดหวังและอ้อนวอนขอผลที่ต้องการโดยไม่กระทํา หลักพุทธศาสนาในเรื่องนี้จึงมีว่าตุมเหหิกิจจังอาตปังอักขาตาโรตถาคตาความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกทางให้อย่างไรก็ตามการทำความเพียรก็เช่นเดียวกับการปฏิบัติทำข้ออื่นๆต้องเริ่มก่อตัวขึ้นในใจให้พร้อม และถูกต้องก่อนแล้วจึงขยายออกไปเป็นการกระทําภายนอกให้ประสานกลมกลืนกันไม่ใช่คิดอยากทําความเพียรก็สักแต่ว่าระดมใช้กําลังกายเอาแรงเข้าทุ่มซึ่งอาจกลายเป็นการทรมานตนเองทําให้เกิดผลเสียได้มากโด ย, น, ยนัยนี้การทําความเพียรจึงต้องสอดคล้องกลมกลืนกันไปกับทำข้ออื่นๆด้วยโดยเฉพาะสติสัมปชัญญะมีความรู้ความเข้าใจ ใช้ปัญญามีสติตรวจสอบดำเนินความเพียรให้พอเหมาะอย่างที่เรียกว่าไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปดังเรื่องท่านพระโสนะโกลิวิสาในพระวินัยปิฎกมหาวัตต่อไปนี้ครั้งนั้นท่านพระโสนะพำนักอยู่ในป่าสีตะวันใกล้เมืองราชคฤหท่านได้ทำความเพียรอย่างแรงกล้าเดินจงกรมจนเท้าแตกทั้งสองข้าง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 และทำความดีต่างๆไปด้วยก็ได้อยากกระนั้นเลยเราลาสิขาไปใช้จ่ายโภกสมบัติและบำเพ็ญความดีต่างๆเสียเถิดพระพุทธเจ้าสงทราบความคิดของท่านโสณนะและได้เสด็จมาสนทนาด้วยพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าโสณนะเธอเกิดความคิดดังกล่าวข้างต้นมิใช่หรือท่านพระโสณะกราบทูลว่าถูกแล้วพระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าตรัสถามอีกว่าเธอคิดเห็นอย่างไรครั้งก่อนเมื่อเป็นครหัตเธอเป็นผู้ํำนาญในการดีดพินไม่ใช่หรือท่านพระสนะกราบทูลว่าถูกแล้วพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอคิดเห็นอย่างไรคราวใดสายพินของเธอตึงเกินไปคราวนั้นพินของเธอมีเสียงเพราะหรือเหมาะที่จะใช้การกระนั้นหรือ ท่านพระโสณะกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอคิดเห็นอย่างไรคราวใดสายพินของเธอหย่อนเกินไปคราวนั้นพินของเธอมีเสียงเพราะหรือเหมาะที่จะใช้การกระนั้นหรือท่านพระโสณะกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสถามอีกว่าแต่คราวใด สายพินของเธอไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปตั้งอยู่ในระดับพอดีคราวนั้นพินของเธอจึงจะมีเสียงไพเราะหรือเหมาะที่จะใช้การใช่ไหมท่านพระโสนกราบทูลว่าถูกแล้วพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฉันนั้นเหมือนกันโสนะความเพียรที่ระดมมากเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ความเพียรที่หย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียดคร้านเพราะเหตุนั้นแลเธอจงตั้งใจกำหนดความเพียรให้เสมอพอเหมาะจงเข้าใจความเสมอพอดีกันแห่งอินทรีย์ทั้งหลายคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาและจงถือนิมิตในความเสมอพอดีกันนั้น